มีใครอยากจะถามอะไรไหมมีอะไรอยากจะรู้หรือเปล่าช่วงนี้ก็พยายามจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเรื่องกายกับจิตใจเรามีร่างกายและมีจิตใจร่างกายเป็นเนบา ใจเป็นนายใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่่ ง, งใจเป็นผู้รู้ผู้คิดแต่ต้องอาศัยร่างกายจะรู้เสียงได้ต้องมีร่างกายมีหูหูได้ยินเสียงหูก็ส่งเสียงนี้ไปให้ที่ใจให้รู้อีกทีใจก็แยกเสียงว่า เสียงนี้มีความหมายว่าอย่างไรถ้าไม่ได้เรียนภาษานี้มาก่อนก็จะไม่รู้จะไม่เข้าใจเสียงนี้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่เอเมนถ้าไปเกิดอยู่ที่ต่างประเทศไม่เคยเรียนภาษาไทยพอได้ยินเสียงก็รู้แต่เสียงแต่ไม่รู้ความหมายของเสียงเพาไม่ได้เรียนความหมายของเสียง ตอนเรียนก็จะรู้ผู้รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่รับเสียงจากข้างนอกเข้าไปที่หูแล้วจากหูก็มีวิญญาณมารับเสียงไปที่ตัวรู้คือใจตัวรู้ พอได้ยินเสียงเข้าใจความหมายของเสียงก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเป็นเสียงที่ชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาเวทนาความสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นเสียงที่ไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วพอเกิดสุขเวทนาเริ่เกิดทุกขเวทนา ถ้าเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเป็นเสียงที่ชอบก็อยากจะให้เสียงนี้อยู่ไปเรื่อยๆถ้าเป็นเสียงที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหยุดเช่นใครมาบบนมาว่ามาด่าไม่ชอบก็อยากจะให้มันหยุดแล้วถ้าไม่หยุดก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็าอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยาก นี่คือใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สุขผู้ทุกนี่คือใจเ่วนร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับเสียงรับรูปรับเิล่นรับรถรับความรู้สึกต่างๆที่มาสัมผัสกับร่างกายแต่ใจเป็นผู้พิเศษ รูปเสียงเปลี่ยนลดน่างกายไม่ได้เสกน่างกายเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเขาไม่รู้ว่ารูปที่เขาถ่ายเป็นใครเขาไม่มีความสุขความทุกข์กับรูปที่เขาถ่าย้าเราเห็นภาพ น, นี่มันไม่มีสุขไม่มีทุกข์กับภาพที่มันเห็นที่ไปคู่ที่ไปสุขไปทุกข์กับภาพก็คือใจไม่เค ร่างกายนี่ก็เป็นของชั่วคราวอยู่เดี๋ยวไม่นานมันก็ตายไปแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นของที่ไม่ตายร่างกายเป็นของที่ตายตัวเราอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายตายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราอยู่ที่ใจใจก็เลยไปหาร่างกายอันใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ก็เรียกว่าไปเกิดใหม่ใจคือเราเนี่ยเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆเหมือนเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้า เ, เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนชุดนี้แล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใส่ชุดหนึ่งมีหลายชุด ร่างกายเราก็มีหลายร่างกายมีเป็นร่านร่างกายนะแต่เราใช้ได้ทีละร่างเรา่างกายนี้ตายไปเราก็ได้น่่งกายใหม่แล้วก็อยู่กับมันไปจนถ้ถามันจะตายเอามันตายเราก็ไปได้ร่างกายใหม่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิด เพราะเมื่อได้ร่างกายแล้ว well. ได้เกิดแล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแต่เราไม่ได้แก่ไม่ไ <sucks> ด้เจ็บไม่ได like ้ตายไปกับร่างกายดังเราต้องมาทําความเห็นให้ถูกต้องว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้แก่ตามร่างกายเราไม่ได้เจ็บตามร่างกายเราไม่ได้ตายตามร่างกาย ร่างกายแก่ก็ปล่อยมันแก่ัปมันเจ็บก <It> ็ปล <the unlikely. S 3> ่อยมันเจ็บไปมันตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้เราไปสั่งมันไม่ให้แก่ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บไม่ได้สั่งไม่ให้ตายไม่ได้แต่เราเดือดร้อนก็ได้ไม่เดือดร้อนก็ได้ที่เราเดือดร้อนเพาเราไปคิดว่าเราเป็นหน้างกาย เราเลยไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บ mm hmm. ไม่อยากให้มันตายพอเกิดความอยากมันก็เลยเกิดความเดือดร้อนขึ้นพออยากแล้วมันทับไม่ได้ดังใจอยากก็เดือดร้อนกันอยากไม่ให้แก่มันแก่ก็เดือดร้อนอยากไม่ให้มันเจ็บมันเจ็บมันก็เดือดร้อนอยากไม่ให้มันตายพอมันตายใจก็เดือดร้อนถ้าเราไม่อยากจะเดือดร้อน เราอยากจะสบายเราก็อยากไปอยากกับร่างกายเหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ร่างกายของคนที่เรารู้จักถ้าเราอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะเดือดร้อนนะ เราเรารู้จักนายหลวงเราไม่อยากให้ท่านตายเราก็เลยเดือดร้อนกันไม่สบายใจแต่คนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาตายเราก็ไม่เดือดร้อตอนที่นายหลวงตายนี่มีคนอื่นตายเป็นหมื่นเป็นแสนเราไม่เดือดร้อนเพรเราไม่ไปอยากให้เขาไม่ตายแต่เราไปอยากให้นายหลวงไม่ตายเราก็เลยเดือดร้อนขึ้นมา แต่ความเดือดร้อนของเราความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองเราไปอยากให้สิ่งที่ต้องตายไม่ตายเราก็เดือดร้อนแต่วันที่นายหลวงตายนี้นายหลวงไม่ได้ตายคนเดียวมีคนอื่นตายเยอะแยะพร้อมๆกันในวันนั้นตัวโลกนี้วันนี้มีคนตายเ็นแสงเราไม่เดือดร้อนเลย เพราะเราไม่รู้จักเขาเราก็เลยไม่มีความอยากให้เขาไม่ตายเขาตายเราก็รู้สึกเฉยๆแต่คนที่เรารู้จักพอเขาตายเราเดือดร้อนถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เราตายเราเดือดร้อนเพรเรารู้จักเขาพอเรารู้จักเขาก็ไม่อยากให้เขาตายปัญหามีแค่ตรงนี้แหละความเดือดร้อนความทุกข์ใจของพวกเรา จกียกคามอยากของพวกเราอยากไม่ให้ร่างกายแก่อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บอยากไม่ให้ร่างกายต า, า ย, า ย, ายเราก็เลยเดือดร้อนเรามาหักหยุดความอยากนี้ดีกว่าถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อ น, อนเวลาเราคิดถึงในหลวงแล้วเราจะร้องไห้เราก็พุโทโธพุโทโธไปตั้งพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวเราก็หยุดความคิดถึงในหลวงความเสียใจก็หมดไปสายไปการเสียใจมันก็ไม่ได้ทําให้ท่านสำน่ะมันจะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์เพราะความทุกใจของเรานี่มันมันเป็นเหมือนกับการทําลายตัวเรา เหมืออามีดมาทิ่มแทงตัวเราทิ่มแทงด้วยความอยากอยากไม่ให้ท่านตายอยากให้ท่านอยู่ต่อไปฉนั้นเราต้องรู้จักหยุดความอยากของเราที่คือหยุดความอยากก็ให้หยุดความคิดของเราเราจะคิดถึงเงาเหลืองก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธเลให้คิดถึงพระพุทธเจ้าแทน พระพเจ้าก็ตายไปทําไมเราไม่ทำไมเราไม่เสียใจเพราะท่านตายไปนานนะเราไม่รู้จักท่านเราก็เลยไม่รู้ไม่เสียใจไม่เดือดร้อนต่อไปคนที่เรารู้จักจะต้องตายมากเช่นพ่อเราแม่เราสามีภรรยาเราเพื่อนเราพี่น้องเราถ้าเราไม่อยากจะมาเดือดร้อนใจกัน เราต้องมาหัดหยุดความคิดกันงหยุดความคิดหยุดความอยากสานใจว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของร่างกายตัวที่คนที่เรารู้จักเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาอย่างนานหลวงไม่ได้ตายไปกับร่างกายของท่านอนนี้ถ้าร่างกายอยู่ในโกรธแต่ใจท่านไม่ได้อยู่ในโกรธด้วย ใจท่านตอนนี้ก็ไปตามไปรับผลบุญที่ท่านได้ทำไว้อาจจะไปถึงพระนิพพานแล้วก็ได้เราจะไม่รู้กันเพราะในหลวงท่านเป็นผู้สนใจธรรมะท่านฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมศึกษาธรรมกับพระอรหันต์หลายรูปด้วยกันท่านปฏิบัติธรรมของท่านอยู่ตลอดเวลาเงี้ เราไม่ต้องไปห่วงพวงเราห่วงตัวเราดีกว่าว่าเราไปถึงนิทานกันหรือยังเราหายวุ่นวายใจเดือดร้อนใจกันหรือยังถ้าเรายังวุ่นวายใจยังเดือดร้อนใจเรารีบมาหยุดมันดีกว่าเพราะต่อไปเรายังจะต้องพบกับคนที่เรารู้จักที่จะต้องตายจากเราไป ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนเราก็จะไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่เราก็ดูแลอย่างเต็มที่พ่อแม่ไม่สบายก็พาไปรักษาตัวกันอย่างเต็มที่รักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ดี มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไปกําหนดบังคับได้ว่าจะต้องรักษาได้ทุกครั้งไปบางครั้งก็รักษาได้บางครั้งก็รักษาไม่ได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องตายไปก็ปล่อยเขาตายไปตัวเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาตัวเขาก็ไปรับผลของบาปต่อไปช่วงที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนช่วงที่เรานอนหลับเนี่ย เวลานอนหลับเราก็ยังไปเราก็ยังฝันต่อได้ถ้าเราฝันดีก็เพราะบุญที่เราทำไว้ถ้าเราฝันไม่ดีก็เพราะบาปที่เราทำไว้ช่วงที่เราไม่มีร่างกายแล้วรอไปมีร่างกายอันใหม่เ่งนั้นเราก็เป็นเหมือนช่วงที่เรานอนหลับแต่หลับยาวหลับยาวกว่าช่วงที่เรามีนอนหลับ มีร่างกายแล้วนอนหลับถ้าเรามีร่างกายเรานอนหลับก็ไม่กี่ชั่วโมงเราก็ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีร่างกายแล้วเราก็ต้องรอเวลาได้ร่างกายอันหนึซึ่องอาจจะเป็นปีเป็นร้อยปีเป็นพันปีไม่แน่หรืออาจจะไม่กี่เดือนก็ได้ถ้าไปรับผลบาปก่อนก็เดี๋ยวไปเกิดเป็นหมาในบ้านเราก็ได้ไปเกิดเป็นตุ๊กแกเป็น จิ้งจกในบ้านเราก็ได้อ้นี่ก็เกิดเร็วหน่อยนอนหลับไม่กี่วันออาตื่นให้มานะแต่เท่านี้ตืมนมาเป็นหน้างของจิ้งจบเพรา ะ, ะเราไปทำบาปมาไปฆ่าจิ้งจกมาไปฆ่ามดข้ามแมลงตอนร่างกายของมนุษย์เราตายไปดีไม่ดีไม่กี่วันกลับมาเกิดเป็นมดในบ้านเราก็ได้ จะมาเกิดเป็นมแมลงเป็นยุงก็ได้พอเกิดแล้วก็เหมือนกับเติมขึ้นมาเดี๋ยวพอตายไปใหม่ก็เหมือนกันอนดับพันธต่อกันช่วงที่ไม่มีร่างกายก็เป็ช่วงที่เราฝันกันถ้าถ้าฝันดีก็เป็นเพราะบุญที่เราทำไว้ถ้าฝันร้ายก็เป็ น, ปนบุญเป็นบาป ท, ที่เราทำไว้ มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดการเกิดได้การจะหยุดการเกิดเราก็ต้องทําลายสาเหตุที่ทําให้เรามาเกิดกันสาเหตุที่ทําให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากความอยากอยู่ความอยากไม่ตาย ม, มันเลยทําให้เราอยากทํามันเกิดอยู่เรื่อยๆ เราต้องหยุดความอยากไม่ตายหยุดความอยากอยู่เราต้องทำใจเฉยๆอยู่ก็ได้ตายก็ได้ถ้าเราทำใจเฉยๆได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้เวลาตายเราก็ไม่กลับมาเเวลาอยู่ก็ไม่ทุกเวลาจะตายก็ไม่ทุกความอยากทำให้เราทุก ช่วย ก, กับร่างกายของเราช่วย ก, กับร่างกายของตงนเองก็อยากให้อยู่กันไม่อยากให้ตายกันพอตายตตก็ก็กลับไปหาแต่หาร่างกายอันใหม่มาอยู่ต่อเพราะยังอยากอยู่ต่ออยูก็เลยไปตอบด้วยการไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนรถเก่าพังก็ไปซื้อรถใหม่ถ้ายังอยากใช้รถอยู่เพราะว่าทันเก่าเสียใช้ไม่ได้ ก็ไปซื้อรถทำงานนะครับก่อนนี่คือเหตุที่ทำให้เรายัางมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากของเรางั้นถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราต้องมาหยุดความอยากกันวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องใช้สติใช้พุทโธให้ท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่คิดถึงรดยนต์ไม่คิดถึงงางกาย พอเราไม่คิดถึงร่างกายเราก็จะไม่มีทางอยากกับร่างกายร่างกายจะอยู่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะไปก็ไม่เดือดร้อนก็เราไม่มีความอยากจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายมีก็ได้ไม่มีก็ได้เราจะเฉยๆจะเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างเฉยกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่มีทางอยากได้หรือไม่มีหรือไม่มีทางไม่อยากได้ได้ก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจเราเฉยแล้วเราไม่เดือดร้อนใจเราจะสบายความเฉยเนี่ยเป็นทางสบายของใจเราเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี่เกิดจากการหยุดคิดพุดโทโธพุโทโธไปเรื่อย เดี๋ยวสิบหยุดชมันก็จะเป็นอุบัตขาขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่มีความอยากแต่มันจะมีความสุขความสุขนี้มันจึงทาให้ไม่อยากได้อะไรถ้าไม่มีอุบัตขามันก็จะเกิดความอยากเพราะมันไม่สุขก็จะอยากได้คนนั้นคนนี้อยากได้ร่างกายเพื่อจะได้ไป ใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆนี่คือปัญหาของพวกเราคือเราไม่มีอุเบษษกขาตันงไม่มีความสงบกันเราเลยต้องไปมีร่างกายกันต้องไปมีคนนั่นคนนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้กันพอไม่มีเราก็เสียใจทุกใจกัน แต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเราไม่ต้องมีอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอยู่เฉยๆได้อยู่แบบไม่มีร่างกายก็ได้อย่างตอนนี้พระพุทธเจ้าก็อยู่แบบไม่มีร่างกายคนที่ตายตอนนี้ก็ไม่อยู่แบบไม่มีร่างกายเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ว่าเขายังมีทางอยากอยู่เขายังรอไปเอาร่างกายอะไรอยู่ แต่คนที่ไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมาเกิดนะอนนี้เสียงมันดังมากเลยฝนตกได้ยินไหมพอได้ยินไหมแล้วก็ได้หยุดนะ ม, มันก็ว่างอยูอ่ถ้าไม่ได้ยินก็นั่งสมาธิกันก่อนมามาหยุดความอยากกันก่อนอยู่ความอยากฟังอยากจะถามอะไรไหม ติันเลยครับเปนกลางถ้าพูดถึงที่ติดตัโต้นเนะครับขณะที่ผมจะเลิก็ตครับผับมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าโรงพยาบาลกลางเขดูดูมันก็ถึงไม่มีอะไรเแต่น้ำไฟอะครับอ่อาก็ดเลยไดรเป็นปัญญาควจริงมันเป็นควาจริงไงตุ้งอย่างเป็นนน้ำลมไฟเนี่ยเราไปหลงว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรต่งางต่างเนี่ย ความจรงมันก็ทำมาจากน้ำลมไฟน่นันเห็นแล้วปล่อยวางได้หปล่แล้วป่ะม่ต้อใจเสอ่าเสียเสียก็เป็นกิเลสเั้งีผมมีคนหน่งในนันครับายังมีเราอยู่นะครับยังมีผมยืนอยู่คเราก็เป็นเราก็เป็นน้ำเหมือนลมไฟเหมือนกันร่างกายเราก็เป็นน้าลมไฟเหมือนกันเรามองไม่ทั่วทุกอย่างเป็นน้ำลมไฟหมด นอกจากใจผู้รู้ตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นดินน้าลมไฟเป็นเป็นผู้รู้เป็นธาบรู้เราต้องกลับมาอยู่ที่ธาบรู้แล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจไม่ตกใจไม่กลัวเลยตอนนี้เรายังมองเห็นตัวเราไม่ว่าไม่เห็นว่าเป็นร่างกายไม่เห็นว่าเป็นดินน้าลมไฟยังเห็นว่าเป็นตัวเราอยู่ ดูเหมือนกันมันเหมือนกันหมดทุกอย่างถ้าร่างกายของคนหนึ่งเป็นดินน้ําลมไฟทําไมร่างกายของเราไม่เป็นดินน้ำลมไฟเห็นไหมนี้เราพยายามมาดูร่างกายของเราว่าคุณดินน้ําลมไฟแล้วปัญหาที่เวทนาที่ทีเกิดขึ้นหรอมาดูลมหายใจไม่พอทํายังไงน่บริกรรมพุทโธบปอย่าดูลมใช้บริกรรมแทน พุโทโธให้มันถี่ให้มันเร็วขึ้นอย่าให้มันไปเิดถึงความเจ็บถาออ้ า, ถามันช่องเร็วๆมันจะไม่เจ็บเราต่องเร็วๆพุธโธพุธโพทโธพโพโพโธพุธโพ โ, พ โ, พ โ, พโพไปเัยักค่ะเดี๋ยวเดียวมันก็หายเจ็บลองทำดูแต่อยา่าไปใช้ลมเพราะลมมันช้า ถ้าไปพุทโธกับรมนี้มันไปด้วยกันไม่ได้เราเอาพุทโธอย่างเดียวองทโธพุทโธพุทโธพุทโธพโพุทโธพุทโธพุทโธพุทโโโโ้วเราจะหายเถแล้วอะย่างเชนใช้คนที่จดับฮะที่กำะตายจิตกดับจิตใช่ไครับอ่าก็้พุทโธอย่างเดียวพุโธอย่างเดียวมือใให้จิตสงบ เวลาจุดระดับจิตสงบจิตไปสบายฝึก ส, สติว่าฝึกพุโทโธว่าพอถึงเวลาจะใช้จะใช้ได้ถ้าไม่ใส่สึกมันจะใช้ไม่ได้มันจะพุโทโธไม่ออกทีตเลยมันจะดึงไปคิดเรื่องราวต่างๆคิดอยากให้หายเจ็บคิดอยากให้ไม่ตายเราต้องอย่าให้มันคิด พอคิดแล้วมันทรมารมันทุกถ้าเราอยู่กับพุทธโศแล้วมันจะไม่ทุกข์มันจะสบายมีอะไรมีอะไรไหม<ะ>ไม่มีเไยอยู่ที่ไหนกำแพงเพชรเลยแล้วมาทำเุรือะไรทางนี้เหรอก็พอดีผมลงมาเพื่อแก้ปัญหาแน่ แล้วก็เลยมีรถก็เลยลองมามาแล้วก็มาก็มาเจอเลยอ่านี่เป็นครั้งแรกเลยอ่าการแพทย์นี่คือเวลาอาสายเนี่ยมันจะเผาต้องไปฝังโดยตถ้าไปฝังจะไม่ถูดไม่เกี่ยวกันร่างกายมันจะฝังปะเผาจะไปให้โรงพยาบาลเอาไปต้มเอาไปตุ๋นทำเป็นแจ้ ใจมันก็ไม่เกี่ยวกับใจใจจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่มีความอยากไม่มีความอยากมันไม่ไมันไฝังก็ฝังไปเผาก็เผาไปเพราะร่างใหม่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับร่างเก่าแล้วแล้วอาจจะไม่ได้เป็นร่างกายของมนุษย์ก่อนอาจจะเป็นร่างกายของแมวฝัอนก็ได้ของนกก่อนก็ได้ถ้าเราไปฆ่าสัตว์จัดชีวิตเราก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์ก่อน พวกที่ทำอาชีพฆ่าปลานี่ตายไปก็ไปเป็นปลาก่อนก่อนจะกลับมันเกิดเป็นมนุษย์เพื่อต้องไปใช้กรรมไปฆ่าปลาก็ไปเป็นปลาให้ขาฆ่าไปพวกฆ่าหมูฆ่าวัวก็เหมือนกันฆ่าเต็ดฆ่าไก่ตายไปก็ไปเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นวัวเป็นปลายไปก่อนจนศาสตร์จะใช้กรรมหมดไปฆ่าสีตัวก็ต้องไปเกิดเป็นสี่ครั้งนึง ชาวัวศิษย์ช้งก็ต้องไปเกิดเป็นวัวสิษย์ช้างก่อนแล้วใครจับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่งั้นจะฝังจะเผาจะเอาไปต้มเอาไปสุญไม่เป็นปัญหานะีไม่เกี่ยวกันตัวสิิตนี่ไม่ได้เป็นตัวร่างกายเขาลตัวเอเหมือนกับรถยนต์กับคนขับเนี่ยรถเก่าพังไปแล้วคุณยาไปขายเชียงทองหรือเอาไปขายขายเป็นมือสองคุณก็เอาเงินไปซื้อรถใหม่ได้ ถ้าคุณอยากจะได้ร่างกายอันใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเป็นหมูเป็นสุนัขเป็นมกเป็นเป็ดเป็นไก่ก็อย่าไปฆ่าสัตว์ถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์ตายไปคุณก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยถ้าไปฆ่าสัตว์ก็ไปต้องไปเป็นสัตว์ก่อนไปฆายุงฆ่ามดนี่ก็ต้องไปเกิดเป็นยุงเป็นมดก่อนจนกว่าจะหมดกรรมแล้วค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ อย่างร่างกายที่คุณได้มาตอนนี้คุณต้องทิ้งร่างกายอันเก่าก่อนชาติก่อนคุณอาจจะเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรแล้วร่างกายของคุณก็ตายไปผมว่าถ้าเป็นร่างกายของของสุกรเขาก็เอาไปเอาไปกินกันแตไ่ไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราก็มาได้ร่างกายอันใหม่ ถ้าหมดกรรมหมดบาปแล้วก็มาได้น่างกายของมนุษย์ถ้าเป็นบุญก็ไปได้ร่างกายของเทวดาเป็นร่่งทิพย์เป็นตายทิพย์ไปแล้วพอบดบุญก็กลับมาได้น่างกายของมนุษย์นั่นคือสรุปก็คือพวกเราทุกคนไม่ได้ตายนะึงที่ตายไม่ใช่เรา ร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราให้จำไว้แค่นี้แล้วเราจะสบายใจก่เป็นร่างกายของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญเราเป็นผู้รับของขวัญเราจะไปเป็นร่างกายได้อย่างไรเราเป็นผู้รับของขวัญจากพ่อแม่พ่อแม่ให้ร่างกายเรามาแต่ร่างกายเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันพอถึงอายุที่มันอยู่ไม่ได้มันก็ตายไป เราก็ไปรับสองสารได้ใหม่แต่พ่อแม่คนใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ต่องั้นใหจำไว้ว่าไม่มีใครตายพวกเราไม่ตายพวกเราวียนว่าตายเฉยกันอยู่เรื่อยๆ เ, เปลี่ยนร่างกายกันไปเรื่อยๆเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ก็เป็นเหมือนร่างกายเสื้อผ้าชุดนี้ก็เป็นร่างกายเดี๋ยวพอเสื้อ ผาชนินี้ขาดเราก็เปลี่ยนเสื้อใหมเราไม่ได้ตายไปกับเสื้อผ้าอะไรอย่างนะี้เราหน้ากายก็เป็นเสื้อผ้าของเราเป็นร่างเป็นร่างกายเราไม่มีร่างกายเราเลยต้องใช้ร่างกายเป็นเป็นร่างกายช่วยเขาเป็นตัวแทนเราเป็นเหมือนผู้แทนให้เราไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะตายเราไม่มีวันตาย สิ่งที่ตายไม่ใช่เราสิ่งที่ตายเป็นเป็นเหมือนเสื้อผ้าเป็นเหมือนรถยนต์เราไม่ได้เป็นรถยนต์เราไม่ได้เป็นเสื้อผ้าที่เราทุกขกันเพราะเราไปชื่อว่าเราเป็นร่างกายกันใช่ไหมทุกคนก็ชื่อว่านี่เป็นเป็นตัวเราใช่ไหมตัวเราของเรา พอมันตายเราก็เลราคิดว่าเราตายไปเมนกันด้วยแต่ความจริเราเป็นพู้มันพู้สั่งให้มันทําอะไรต่างๆมันเป็นเหมือนฝุ่นเราเป็นเหมือนผู้เชื่อถุนคนเชื่อถุนไี่กับถุนไม่คนละคนกันร่างกายนี้ถ้าเราไม่สั่งให้มันทําอะไรมันทําไม่ได้ถ้าไม่สั่งให้มันลุกขึ้นมันไม่ลุกหรอถ้าไม่สั่งให้มันมาที่นี่มันไม่มาเียรอกคนสั่งไม่ได้ แต่คนรับสั่งคนละคนกันคนสั่งคือเรา <sock> คนที่รับคำสั่งของเราคือร่างกายเป็นคนละคนกั น, นเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ยังไม่ไ ม, ไม่ได้เป็นไปกับร่างกายร่างกายแก่เราก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายเหตุนี้นเราพยายามสอนใจเตือนใจเรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเราต้องวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปเราต้องยอมให้เขาไปถ้าเรายอมให้เขาไปแล้ว เ, เราจะไม่ทุกถ้าเราไม่ยอมเราจะทุกข์ที่เท่า น, นี้แหละนะแล้วถ้าอยากจะไม่อยากจะกลับมาเสือกก็ต้องมาห ย, ายาุดทามอยากตัดความอยาก ความอยากที่จะใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆตอนนี้เรายังต้องใช้ร่างกายเพราะเรามีความอยากพอไม่มีร่างกายนี้เราก็ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายใหม่เก็จะได้ทำตามความอยากต่อไปถ้าเราไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายทำอะไรเราก็ไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่ร่างกายนี้ตายไปก็จบไม่ต้องมาเกิดอีก อยู่ในโลกทิพดีกว่าอยู่ในโลกทิพเหมือนอยู่กับเทวดา <Okay. S 1> แต่ดีกว่าเทวดาเพราะเทวดายังต้องสัมมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในโลกคลิปของพระพุทธเจ้าพรววานิพพานนิพพานนี้ไม่ต้องสัมมาเกิดการเกิดไม่ดีเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไมาร้องหมยงร้องไห้ับ พอไม่เกิดแล้วก็ไม่ทํามาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องร้องขอร้องภาพนเพราะฉะั้นตารที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องหยุดทางอยากอยากดูอยากฟังอยากนิมนต์ดมกลิ่ น, ดดนอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่อยากมีแฟนควางอยากเหล่านี้ทําให้เราต้องมีร่างกายถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมีร่างกาย วิธีที่ยังไม่มีความอยากเหล่านี้ก็นั่งนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิได้เราก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไดมายะหันนั่งส ม, มาธิกันดีกว่ามาฝึนั่งสมาธิกันมหันต์นนเจริญสติพุทโธพุทโธันเราต้องมีพุทโธก่อน ถึงจะนั่งสมาธิได้ถ้าเราพูดโทพไม่ได้เวลานั่งมันก็จะคิดเรื่องนั้นคินเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่สงดมันก็ไม่เป็นสมาธมันก็ยังมีความอยากอยู่ยังอยากได้นู่นอยากได้ น, ดนี่มันก็จะทุกข์อยู่ที่ไหนยึมมาจากสมุดปากกานี่ ไปไปวัดโสการามว่ะอันนั้นก็เป็นวัดปฏิบัตนินะพระับวขงท่านพ่อฤีท่านพ่อฤีจะเป็นจิฟฆาจยนนั่นจิตของจิตไหมวัดจ า, จางฤ้ท่านพ่อนี้ท่านมีอิกทิ่านมีมีอิทธปาฏิหาร ดังขอให้พวกเราทาบุญกันรักษาศีลกันแล้วก็มาหันนั่งสมาธิกันแล้วต่อไปเราก็จะได้ถ้าเรายังเกิดเราก็จะไปเกิดในสวรรค์กันแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันไม่ต้องไปเกิดเป็นเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นอะไรกันไม่ต้องไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นปลา ถ้าเราไม่ไปฆ่าสับว์เราก็ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์กันแล้วถ้าเรานั่งสมาธิกันได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกันไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันถ้าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนเวลาตายจากกันก็เข้าสุขเสียใจ วิธีที่จะทําให้เราไม่อยากจะมาเกิดก็ให้คิดถึงคามตายบ่อยๆมาเกิดมาแล้วมันต้องตายถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดกไปกาที่ไม่เกิดก็ต้องนั่งสมาธิกันหยุดความอยากกันนั่งสมาธิใช้พุทโธหยุดความคิดหยุดความอยากกันถ้าเราต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อ ง, น, งนี้ไม่ได้เราก็จะอยากไม่ได้ ที่เราอยากก็เพราะเราคิดคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงละครก็อยากดูคิดถึงอะไรก็อยากได้ใชนอยากเราก็ทำให้เราต้องมีต้องไปทำตามความอยากต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ทำตามความอยากไม่ได้ถ้าตายไปก็ต้องกลับมามีร่างกายอีกหน่อยหนึ่เก่น วิธีเดียวที่จะทำให้เราไม่ตายกันก็คือไม่ต้องไม่เกิดถ้าเกิดแล้วต้องตา ย, ยาแต่ถ้าเกิดมาแล้วก็ให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดสิ่งที่ตายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเหมือนรถยนต์เราไปซื่อรถมาเราเป็นคนขับรถเวลารถพังเราไม่ได้ทังไปกับรถร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นคนขับรถร่างกายอันนี้เราเป็นคนสั่งให้ร่างกายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เดินหน้าเดินหลังนะคนสั่งกับคนเราสั่งคนละคนกันเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายและเราต้องสอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่ไปอย่ากไปอยากให้มันไม่เป็นแล้วเราจะไม่เดือดร้อน ไม่ทุกเราต้องมาหัดทำใจให้เฉยๆให้ได้ตอนนี้ใจเราไม่เฉยใจเราไปผูกติดอยู่กับร่างกายคิดว่าเป็นร่างกายกันพอร่างกายเป็นอะไรเราก็ตกใจกลัวสันเนกันแต่ถ้าเราทำใจให้เฉยๆได้เวลาร่างกายทำอะไรเป็นอะไรเราก็เฉยๆไปเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย นั่นต้องหัดนั่งสมาที่หัดพุดโธกันให้ได้อลองทําดูสักวันหนึงสร็จขึ้นมาก็พุดโธพุดโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็พุดโธพุดโธไปหัดน้ำล้างหน้าล้างตาแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุดโธพุดโธรไปแล้วพอมีเวลาว่างไม่ต้องทําอะไรก็นั่งเฉยๆ นั่งเฉยหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวไม่นามใจของเราก็จะนิ่งสงบแล้วจะเฉยได้จะปล่อยวางร่างกายได้ตอนนี้เราไม่ปล่อยเรายึดเราติดเราเป็นร่างกายขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เราคิดว่าเราเป็นร่างกายพอเราเฉยได้เราก็หยุดทางคิดว่าเราเป็นร่างกายได้ เราก็จะรู้สึกเฉยๆกับร่างกายทําได้ไม่ยากหรอกท่องพุโทโธแค่นี้ทําัยทําไม่ได้กันพุโทโธพุโทโธเนี่ยถ้เด็กทํายังทําได้เลยหนูพุโทโธได้ไหมหรูสร้างพุโทโธไดไ้ไม่ได้ฮะ <c oughs> เราต้องแยกตัวเราออกจากร่างกายให้ได้ ตอนนี้เราไปถูกตัวเราติไดไว้กับร่างกายเราก็เลยทุกกับร่างกายเราต้องแยกตัวออกด้วยการใช้พุโทโธแยกนั่งนั่งเฉยๆแล้วพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเราก็จะแยกออกจากร่างกายไปแล้วต่อไปร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนพราะเราแยกออกจากร่างกายได้เราไม่ได้เป็นร่างกาย เราไม่เป็นอะไรเราไม่มีวันเป็นอะไรไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนะเข้าใจไหมถ้ายัางทําไม่ได้ก็ทําบุญไปก่อนนะทาบุญทําทานไปก่อนตายไปได้ไปสวรรค์ไม่ต้องไปไปไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นแลวเป็นหมาเป็นนกเป็นอะไรต่าง เออเป็นยังไง <Yeah, yeah. S 1> จะให้พอแล้วนะนะเดี๋ยวจะให้พอก่อนวัออนนี้ฝนตกเสียงดังไมหน่อย เ, ออเออพูดไม่ใช่ได้รสชาติกท่หร่มาหานนั่งสมาธิกันเดี๋ยวดีไหมดีครับเอ อ, เ อ, อนะ เ, ออเสียงมันดังคุยกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ อ๋อมันก็เป็นเรื่องของกิเลสอ่ะกิเลสมันถูกบังคับไว้ถูกกดไว้มันก็เลยไประบายออกที่หัวที่อ า, า ก, การปวดหัวขึ้นเดี๋ยวว่าหายไม่เป็นไรหรอกเวลาจะนั่งสมาธินั่งมันจะปวดถ้านั่งดูหนังเมื่อไหร่ปวดแล้วพอจะรู้ไหมนะนั่นไม่เป็นไร พอเวลานั่งสมาธิมันทำอะไรไม่ได้มันก็เลยเจรงขึ้นมาก็เลยทำให้ปวดถ้าได้ดูหนังมันได้คิดได้เพลินก็ไม่ปวดแล้วยังไงถึงจะไม่ปวดต้องให้มีพุทโธมากๆให้มันสงบถ้าจิตสงบแล้วมันจะไม่ปวดถ้าหากพยายมหาพุทโธไว้บ่อยๆเวลานั่งเราอยาให้มันคิดอะไรให้อยู่กับพุทโธอย่ถ้ามันจะสงบสงบล้มันจะสบาย หนะลายลองนั่งสมาธิกันหน่อยนะใครนั่งไม่ได้อยากจะกลับก็กลับไปนะใครนั่งได้ก็นั่งกันไปพร้อมไม่รู้จะทําอะไรตอนนี้นั่งพูดโตฮะไม่สร้างหรอก็พูดโธพูดโธไปจะจะสวดอาหางสัมมาไป็นฝันก็ได้สวดไปผ่านใจไม่ต้องออกเสียง จะสวทพุทธังสะรนันปะฉามิทั้งมางสะระนังปะฉามีทั้งทังสะงนังปะฉามิไปฝ่อก็ได้เห็นเราก็พุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้เดี๋ยวก็จะสบายจะอนตืต่อนะหลงนั้นหลับตา ใช่มันจะใช้พุโทโธแทนสวนมนต์ไป แ, แทนจะมี น, น้ำหอมมนน่าสวดนดนึงดอกก็สวนก็นสวนมนต์ไปเปลี่ยนเปลี่ยนดอกสวดไปเองก็คือว่านอ่ใส่ที่ารทที่สิบหกประหลาดท่อกว่ามันแล้วมันก็ ว่ามันไม่ใช่มันเป็นเราก็บอกด้ยคะรว่าเร่งัปที่แล้วอาจะิเียหรือว่ามันมีว่ในเ่วนึงแก้ไม่อกแแก้ออกใองถงมากอันนี้ไม่ใช่ันก็ไม้งมันเปตาองสัทอรับเลยอะโเดย์โดู ใช่แล้วเป็นยางพนี้ต้องรอเป็นาเราวาไม่ใช่ทำใหม่ทำตอนนี้เลยโดยใช้ทุกครก็ใช้สเรื่อยๆแล้วมันจะเรียนรู้มาเรื่อว่าถ้ามอกแยกกันเมื่อเราเจอปัาหาวิ่งชีนะวิเราใช้ความคิดตลอดเวลาแล้วจะยากยังไ่ะคหรือว่าตอนใช้ความ อจจ่พุทโย่ดีกว่าอยู่ไรการการทำาพอท่ำอาว่าเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ับเ็าปทั้งดเลยเพราะว่าเราจะต้องจับเก่ให้ต้องทำงานอด้้งานทำให้น้อยลงไปอย่าทำมาททำให้น้อยทำพออยู่พอกินก็พอ ายก็ไปไม่ได้ตายไปก็ไนไม่ได้อันนี้ก็ทั บ, บ้านได้แล้วนะฝนหยุดลอะอไยังไงดีไหมสงบไหมบรรยากาศนี้ดีนะทำสมาธิสงบดีใช่นะพยายามนั่งบ่อยๆจะมีความสงบนะนังดังหน่อยนะั่นั่งสมาธิ ก็ไม่มเวลาก็าไม่มีฟุตบเลไงก็นะต้องอยู่กับพุตบอลไปเรื่อยก่นโดยอยู่งยลงหายใจแต่อย่าให้มันคิดเดียวมันก็สงบตั้งใหม่ๆมัยังไม่สงบหรอเพราะว่ามันเหมือนกับรถที่วิ่งเร็วๆไปเหยียบเด็กปั้มันไม่หยุดหรอกต้องเหยียบไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆถ้าเดี๋ยวมันก็หยุดเองต้องค่อยๆทำไปทำไปเรื่อยๆอยู่ที่เบย์ของเราถ้าเบย์ของเราดีเด็กมันก็หยุด ถ้าเรบไม่ดีมันก็มก็ไปเรื่อยๆนเพยายามหัดวางไว้ขาขึ้นพยายามหัดพุทโธพุดโธไปเรื่อยๆเวลานั่งมันจะสงบได้เร็วมันไม่ชอบมันไม่ชอบอยู่เฉเฉยเลยชอบคิดชอบทำ่นทงนี่ร้ะมันอยู่เฉยมันก็เลยเครียดขร้อนขึ้น ใจร้อนเนี่ยใจร้อนไม่มีสติต้องไม่ต้องพุโทโธถ้าพุทโธไได้เรื่อยเดี๋ยวมันจะเรียนขยันพุโทโธนี่ได้ไรล่ะปอยได้เรื่อย น, นี่มาท า, างหล่อแล้วอากัรอ่าพะอาจารย์บอกให้พุทโธไปเรื่อยครับ บางทีมันก็มีแรงกระแทกเข้ามาอย่าสนใจไม่อยากเล่งพุโทโธแล้วแล้ต้อเหมือนต้องรับจิตอยู่ใจจิตถ้ตเหนื่อยก็ชา้าๆหน่อยเราไม่ต้องไปสนใจเวลาใครจะแซงมาก็ชานะ่างหนยให้อยู่กับพทุทโธกปเหมือนเขับ่าของเราอยู่ในเลนเราขับอยู่ในเลนันใครจะแซ่ใครจะแซงซ้ายแซงขาวาก็ปล่อยเข้าไปเรา่าขับของเราไปให้อยู่ในเลนแล้วก็อยู่พุทโธพุโพุโธพุโธัป ถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องไม่ต้องเร็วก็ได้ช้าๆก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธกันถ้าเหนื่ยก็อยู่พุทโธแล้วถ้าเฉยๆก็ได้ดูลงแทนก็ได้ถ้าเหนื่อยพุทโธก็ดูลมหายใจแทนหายใจเข้าก็ลหายใจออกก็ูก็ได้ติันให้หลวงิธิชอบใจอย่าง้ายังไม่มีกาลังคอนะจะต้องทาไปเรื่อยๆก่อนทำกัน การต่อไปมันก็จะรวมเอยใจเย็นๆต้องทำบ่อยๆทำเยอะๆไม่ต้องทำหนเดียวสองขมันไม่ได้ผลมากทำทิศมันทำมนตั้งร้อยปีแล้วตั้งต้งนานปีแล้วมันทิศมาอยู่นี่อยู่ด้วยมันจะไมให้มันอยู่ทันทีทันใดมันไม่หยุดมันรดวิ่งลงเขา ต้องพยายามเหยียดเบรให้ยังปล่อยเบต่อกัน่าจะหยุดเองตอนรกที่พี่ยดก็สูข้างในที่ราี่ว่าหรัเราก็รับรู้ภายอไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เฉยๆแล้วกันอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้แล้วกันเป็นสมาธิแล้วแต่เฉยๆก็เป็นสมาธิแล้วแต่ยังไม่เต็มร้อย ถ้าเต็มร้อยมันเข้าไปข้างในาหายไปหมดเลยตอนนี้ยังรับลุยอยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่ออกไปมีอารมณ์ด้วยมันเฉยเฉยอย่างเง้ยก็ยังดีได้ได้คือเกิดปีนาแบบถ้ามันคนไม่ไหวไอ้นะเออถ้ายังตายแล้วมันก็ผ่านได้าาอพอาผมก็พิจารณาว่าทั้พวกแม่ทุกคนแล้วตอนนี้มันก็ผ่าน เขขอตายต้องเกิดัญญาขึ้นมาต้ออสลทัขึ้นมาในอากาศข้างบนมีสีขาวางล่างสีดํานมีเป็นการอยู่มีนมีจุดที่ผมอ่ะไม่รู้มันคืออะไรเป็นภาพเฉยๆให้รู้เฉยๆให้รู้เฉยๆเรม่องเป็นภาพไม่รู้อะไรตอนไม่ตายไม่ตายแล้วงไม่ถึงเวลาไม่ตายขอให้เราไม่กลัวตายก็พอนะไม่กลัวก็ดีไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บก็พอะ อยู่อย่างสบายแล้วถึงเวลาตายไม่ต้องไปทำถ้ามันยังไม่ตายก็อยู่นะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ตายเพือให้อยู่เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้กลัวตายไม่ให้กลัวเจ็บถ้าเราไม่หนีมันแล้วต่อไปเราไม่กลัวมันแล้วมันจะไม่เจ็บมากที่มันเจ็บมากคนเราไปกลัวมันนะอย่าไปกลัวมันไปให้มันเจ็บเต็มที่เลย อ ย, ย, ย่ามาแค่ตายหรอกถ้าไปยอมตายแล้วก็อย่างทุกอย่างก็จะดีนะปัญหาคือไม่ไม่ยอมตายกันกลัวตายกันก็จะยวุ่นวายกันถ้ายอมตายแล้วใจสงบตอนยอมตา ย, ตายใจเป็นสุขใจเป็นสุขเบาเย็นสบาย ไม่ต้องการอะไรไม่สนใจอะไรใครจะเป็นใครจะตายไม่ใช่เรือนะ่องของเรานะอ่าดีดตายก็ได้ไม่อดตายก็ได้ีจริงก็จะกินไปไม่กิงก็ไ ม, ม, ม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนคนที่ยอมตายแล้วไม่เดือดร้อนกับเร่การอยู่อยู่ยังไงก็ได้ใช่ไหมพยายามจบไปเรื่อย ถ้เาเดี๋ยวต่อไปใจก็จะปล่อยวางง่างไปได้ไปล่อยวางง่ายกายได้สบายไม่รีกบกไม่จังวนไม่ห่วงใยไม่ตัวไม่อะไรทั้งน้นอยู่เฉยสบายเวลาปฏิบัติไปแล้วถ้ามึงเห็นสั่งเล็กก็ ร, รู้เฉยๆอย่าไปสนใจไม่ต้อสนใจไม่งสนใจก็สั่งก็สั่งไปมไมต่ต้องการอยู่เฉยๆ เป็นไงพระเอกวันนี้เสียงดังมากัด้วยกุมาณทองเขาเนีดยแล้วกุมาณเอาจังไงกลับบ้านกันได้ยังเสร็จล้เดี๋ยวไม่มีอะไรนะ้เอาลวมไปแล้วเดี๋ยวใครเอากลับมาคืนคนหนึ่งเดี๋ยววางไว้ตรงที่จอดรถก็ได้วางไว้ตรงที่ต้นโพก็ได้ อ๋อ น, นะตับบ้านกันเถอะพอแล้วหมดเวลาแล้วไป